อัตฐกะวาระว่าด้วยหมวด8 328ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นอานิสงฆ์8ไม่พึงลงอุกเขปนียกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตภิษุเมื่อพิจารณาเห็นอนิสง์8พึงแสดงอาบัตนั้นเพราะเชื่อผู้อื่นอาบัตสังคาทิเศษเป็นยาวตติยะกะ มี8ประจบตระกูลด้วยอาการ8จีวรเกิดขึ้นมีมาติกา8กะถินดาะมีมาติกา8น้ำป่าณมี8ดชนิดพระเทวทัตมีจิตถูกอสัตธรรม8ดอย่างครอบงำย่ำยีจึงไปเกิดในอบายตกนรกชั่วกับแก้ไขไม่ได้โลกธรรมมี8กครุธรรมมี8ด อาบัติปาติเทศนิยะมี8ปดมูสาวาตมี8องค์อุโบสถมี8องค์แห่งทูตมี8วัดแห่งเดียรถีมี8อัจฉริยะอัภูตรธรรมในมหาสมุทรมี8อัจฉริยะอภูตรธรรมในพระธรรมวิไนัยนี้มี8ปพัตตาหารที่ไม่เป็นเดนมี8ด พัตตาหารที่เป็นเดนมี8เภสัตเป็นนิสคีเมื่อรุ่งอรุณมี8ปบาราชิกมี8ภิพิุนีทำวัตถุครบทั้ง8สงพึงให้นาสนเสียพิกษุนีทำวัตถุครบทั้ง8แม้แสดงอาบัตแล้วก็ไม่เป็นอันแสดงอุปสมบทมีวาจา8 พึงลุกรับภิกษุณี 8. จำพวกพึงให้อาสนแก่ภิกษุณี 8. จำพวกอุบาสิกาขอพร 8. ปภิกษุประกอบด้วยองค์8สงพึงสมมติให้เป็นผู้สอนภิกษุณีการทรงวินัยมีอานิสงแปดศิขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมี8ภิกษุผู้ถูกลงตัดสปาปิยสิกากรรม พึงประพฤติชอบในธรรมแปดประการการงดปาติโมกไม่ชอบธรรมมีแปดการงดปาติโมกชอบธรรมมีแปดอัตกะวาระจบ